เครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจก็มีตาหูจมูกเล้นกายแหละใจสิ่งที่จะพึ่งผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่น รสสัมผัสทำมาลมในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลล้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมาลมก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องลึกขอ ง, ตอ ง, ลลของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาวความรู้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 จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามวุทินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องเลลึกของสติด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจาวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมา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 เอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องและของสติตั้งใจกําหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาซึ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้ว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 วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอน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 มีเปีตมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทาให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจายแจ้งยิ่งขึ้นและพิศดานกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดเจตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้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 สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมาฐานแบบนี้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 ทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยัง้ง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 เจตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินาอยู่เจตของท่านมีสติเป็นผู้นำถึงเรื่องอะไรพับสติมันจะตามทัน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 ไม่มีคําว่าธรรมเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรลลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างเลิกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้ว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 เพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่ละทําอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาตามพะาระไตรลักษ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกเล่นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายแล่ใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาและสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรละลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างฝางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้าหรับ ท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอํานาจแห่งคุณประสีรัชนาตรัยจงดลบดานให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเรา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 าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการกล้ายๆกระบาตดทาท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คาว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียก ว, ว่าเอกับขาตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหน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 เพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมรรตามเป็นจริงประการที่สองพระบริสุทธิ์ที่คุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ประการสุดท้ายพระมหากรุณาที่คุณทรงสลาความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวนยสั์ถ้าหากว่า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 มันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัาตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนๆแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดานี่ หรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกียะธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีทั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคมพระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับ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 เอบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงทำขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิน้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปส ม, มเทศนาคือธรรมจักรกับประวัตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพอ ยังเกณฑจิตสมุทัยธรรมังสัพพันธ์ตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะี่ยอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันรรมจากอปวัตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟังให้อย่างซึ่งถึงแก่นแห่งคุ ณ, ณธรรม เพียงจะเกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งในคุ ณ, ณธรรมเท่านั้นทีนี้อนัตตลัคณสูตรสอนให้รู้จักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อธิตะปริยาเสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราค ข, ขิโทสักขิโมหักคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ไฟสามกองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตาได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าลาคะเกิดความยินได้เรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณในโทษของกิเลสอนัตตลกโนสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนตัตตา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 ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพิจารณาอะไรก็ตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้นในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทากันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันชำนิชำนานแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทำสมาธิตั้งที่อาตมาได้เสนอแนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย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 แล้วภายหลังก็ไปถามพระไปถามพระภาวนาพุโทโธท่านก็บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอัตมานี่ถึงจะถูกไปถามยบหนอป้องหนอก็โอ้ยอั น, นั้นมันทางโคง้งมันไม่ตรงของอัตมานี่สําเร็จเร็วไปถามที่สัมมา阿拉หังก็ไปแนะนําให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพรอมก็ทําไม่ได้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 หลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั้นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั้นภาวนาไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่อ น, นี่ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังนี่เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านนี่วิเศษที่สุดเลย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 วิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ยเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาเออหัตายังหัวใจอะไรปรับภาสังปอดมุนีท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอก บอกท่านเป็นคุณหมอเนี่ยเอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยจกันจนกระทั่งวัตเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระแม้จะหลับตาปับ๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็แพงจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเอง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 แม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแก่ทั้งเท่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไปกําหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปรุงอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปรงอายุสังขารของท่าน ตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สัมพระอริยเจ้าคือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวางปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทำลองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้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 ที่นี้เพื่อนผูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเนนประมัยก็ขาดใจพอดีอันนี้คือการลักษณะของการปรงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ <c oughs> อีกปัญหาหนึ่งได้ทราบว่าพระคุณเจ้าอยู่วัดปทุมวนารามผมได้มีหนังสือท ร, รมานนวัด เนี่ยสามเณรประมเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัติกับาศาสนาวิถีของท่านสามเณรศรีลาประยกาละเนรเข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่านังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมอ่านังสือไอ้นังสือสาศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็น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 เรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวรับหลังถือว่าเป็นทุวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่าปิสุนวาจาสอเสียดยุยงเราโพดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุริต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 เป็นใจมีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทำบุญตักบาทฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทำได้ก็ได้ไม่ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำแต่ทำได้เป็นการดีเป็นเพ่การเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทำใจให้สงบได้ถ้าทำใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้ว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 ถือว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่งเราอาจจะกำหนดรูภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไปดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมาหายานแห่งหนึ่ง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 ให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชายวัดอารามิกวัดหมายถึงทำความสะอาดแล้วก็พัตตักวัดความทำความสะอาดโรงฉันเวชจกุตีวัดทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ ต้มของพระสถานของพระพุทธเจ้านี่สามเณรหุ่นไปรักษาความสะอาดเช็ดถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไวอนน้อันนี้เป็นหน้าที่เรื่องเรื่องการบริหารกายการทําความสะอาดสถานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละอ้อทีเดียวถ้าหากเราจะพิจารณาถึงหลักรักษาสุขภาพอนาคต ในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทําอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัยข้อนั้นน่ะท่านไม่ค่อยจะได้คํานึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทําจิตในในในในส้วบพอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ํา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 ต้องอาบัดทุกกฎทุกหยดน้ำท่านสอนไว้อย่างนี้ทีน่นี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามตทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ำฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ยต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นคาวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่าการรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่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 ท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นอื่นอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆขี้เกียจรอให้เขาตบอบขี้เกียจรอให้เขาถามก็อธิบายพลดปุรหไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีก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 ชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยตาละ